สควรบูชาหรือที่เรียกว่าปูชนียบุคคลนั้นนำมาประกอปฏิบัติด้วยนี้เนี่ยอาตมาติงขออนุโมทนาที่ทางหมาชัยรัชภัฏบ์ุริลมได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นปฏิบัติบูบบชาแด่ในหลวงของเราซึ่งถือว่าเป็น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 คุณความดีหรือสารัถแห่งความดีของในหลวงของเราเพื่อมาเป็นพื้นฐานไม่ใช่แค่ในการดเนยพินิตแต่รวมถึงเป็นพื้นฐานสาหรับกิจกรรมสาธารณะนั่นก็คือการจัด ก, การการศึกษาในระดับมาวทิทยาลัย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 พระองค์ได้ฝากพระธรรมคำสอนเอาไว้กับสถาบันก็คือคณะสงฆ์มายเทาลยราชพัฏ์ก็เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งสามารถจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ความดีปณิธานและอุดมสติของในหวงของเราเนี่ยสามารถจะยัย่งยืนไปได้แล้วก็ปณิธานอุดมสติอย่างหนึ่งของในหลวงก็คือการพัฒนาท้องถิ่น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 ระดับโลก 2. ระดับประเทศและ 3. ก็คือระดับท้องถิ่นสถาบันราชพัฒนเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นได้วางจุดยืนของตัวไว้ได้อย่างเหมาะสม ก, ก็คือวางตําแหน่งของตัวเองเอาไว้ตรงที่เป็นสถาบันการศึกษาสาบันอุดมศึกษาในระดับท้องถิ่นซึ่งมีความสําคัญมากนะ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 หรือในระดับชาติเท่านั้นหรือส่วนกลางเท่านั้นแต่ว่าน่าจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยขาได้รับอนิสงส์อย่างนั้นด้วยนี่เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่3มคือว่าทำให้ชุมชนทาให้ท้องถินน่นมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นฐานให้แก่การพัฒนาในระดับประเทศนะและประเด็นที่สี่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 คงจําได้เมื่อสัก15ปีก่อนเนี่ยโรงแรมนิวอีโอพลาซ่าที่นักดีคอร์ทที่โคราชอันพังคลือลงมาเพราะว่าฐามันอ่อนแต่ว่าเติมต่อเติมเสริมยอดไปเรื่อยเมืองไทยอยู่ในสภาวะเช่นนี้แล้วเราก็พังคลือบางทีแล้วตอนเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปีก็ปีปีส0งพนสีาลอนแอนะพอเจอการคอร์รัปชันพอเจอการปั่นหุ้นพอเจอการการพนันเงินบาท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 นะซึ่งเคยคือหาอยู่ระยะหนึ่งหรือโครงการอีสารเขียวนะเลาอยสังเกตว่ามักจะใช้วิธีว่าจะใช้สูตรสำเร็จเรียกว่าปรูพรมไปทั้งภาคหรือปรูทมปรมูพรมไปทั้งประเทศนะซึ่งมันอาจจะก่อยเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ล้มเร็วนะเพราะว่าขาดความอ่อนไหวต่อ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 มีตกกังวลมากชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนที่มีพัฒนาการทางจิตคือไม่เครียดนะไม่เครียดแล้วก็มีจิตใจปร่ดร่วงปลอดผองใสนะเพราะการที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะต้องมาทาให้กลุ่มอกกุณใจแล้วการที่สี่คือพัฒนาการในทางปัญญาถามว่าอะไรเราจะทำตรงนี้ได้อย่างไรตรงเนี้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 ก็กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนวังสวัสดีนี่เป็นตัวอย่างของการทําท้องถิ่นให้กลายเป็นกระแสรแะดับชาติท้องถิ่นเนี่ยถ้าทำได้เข้มแข็งนะดีนะมันกลายเป็นแบบอย่างในระดับชาติได้แต่ไม่ใช่เป็นแบบอย่างสําหรับการ Co อปปีนะเพราะมันต้องไปประยุกต์ต้องไปปรับปรุงเพราะนี่หน้าที่ของหมหาวิทยาลัยชพัณวเนี่ยก็คือว่าการที่เราไปหาไปสืบคน้นว่า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 จนสามารถที่จะไปสอนเขาได้สามารถที่จะไปแนะนำเขาได้เราจะแนะนำเขาได้เราต้องมีทุนของเราอยู่และทุนของเราจะมาได้อย่างไงนะมันต้องได้มาจากการที่ไปสังเกต ศ, ศึกษาและตรงนี้ศึกษาจากบทเรียนของในหลวงไดนะ้ในหลวงนี่ไม่ได้จบปริญญาสูงน ะ, ะเราคงทราบว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้จบปริญญาแบบที่ที่ที่ที่สมัยนี้จบกันนะแต่ทำไมพระองค์ถึงได้ปริญญา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 นั่นเราจะมองในระดับท้องถิ่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้และสุดท้ายท่าน ก, ก็เตือนได้เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าเราจะเราจะมองไประดับโลกเนี่ยแต่เราก็ต้องเตือนก็ต้องตระหนักว่าเราจะมีความสำคัญระดับโลกในฐานะอะไรเป็นประเทศที่ร่ํารวยในระดับโลกหรือว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านั้นเขาจะจะขอจบด้วยพระดารับข้อนี้ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก